บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดถึงสังโยชน์ข้อมิจิจฉากี่ยคือความเครือนแคลงสงสัยมาโดยทําดับเพราะความเครื่อนแคลงสงสัยนั้นเป็นอาการของโมหะซึ่งเป็นกิเลสตัวใหญ่ กิเลสทั้งหลายก็เกิดสืบเนื่องไปจากกิเลสกลุ่มนี้ร้อ น, นความเครือบแรลงสงสัยในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนจึงกระจายตัวเองออกไปโดยนัยยะต่างๆเปน็นอันมากท่านแสดงไว้ในพระบาลีโดยสรุปแดปดระการด้วยกันคือเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าเครือแคลงสงสัยในพระธรรม เคลื่อนแงสงสัยในพระสงฆ์เคลื่อนแฝงสงสัยในไตรสิกขาเคลื่อนแฝงสงสัยในเรื่องอดีตเคลื่อนแงสงสัยในเรื่องอนาคตเคลื่อนแฝงสงสัยทั mm ้งเรื่องอดีตและอนาคตเคลื่อนแฝงสงสัยในกฎของปฏิยการหรือปฏิจจสมุปาตซึ่งจะพบว่าเมื่อเราแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายละส คนที่สามารถขจัดความครุ้มคลงสงสัยในสีประการแรกได้จะต้องเป็นพระยะบุคคลระดับประสูตดาบันขึ้นไปราะคุณสมบัติของความเป็นประสูตดาบันถึงกำหนดไว้เป็นสีประการคือมีความจะทาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในประธรรมในประสมในไตรจิกา ซึ่งหมายความว่าจิตใจที่พัฒนาขึ้นไปถึงระดับนี้จะกระจัดความเครือบแครงสงสัยลงไปได้ปัญญาท่านเรียกว่าเป็นผู้มีทิฏฐิสมบูรณ์ท่า น, นก็ขอให้มองในจุดซึ่งเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันว่าถ้าเราจะพูดในด้านศรัทธา พือสตางคของท่านก็เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในสเรื่องดังกล่าวถ้าพูดถึงในด้านปัญญาท่านก็เป็นผู้ที่เรียกว่าทิฏฐิสัมพันโนคือสมบูรณ์ในทิฏฐิแต่แก่ความเห็นของท่านนั้นถูกต้องสมบูรณ์แต่อย า, จ, าจุดที่มีความเห็นถูกต้องสมบูรณ์ซึ่งมีลักษณะเหมือนแสงสว่างนั่นเอง เพือจะทำหน้าที่กระจัดความมืดบอดด้วยอานาจของโมฆะที่แสดงอาการออกมา3มประการคือความเป็นไปได้ถือตัวถือ ต, ตนหรือมีตัวมีตนที่ถาวรที่ยั่งยืนที่ไม่แปรผันที่เที่ยงแท้แลักษณะความคิดเหล่านี้ที่จริงแล้วก็สืบเนื่องมาจากความเป็นผิดที่เราเรียกว่าสัจตจิต ในความเห็นว่ามีตัวตนเชี่ยงแท้หรือว่าตัวตนเป็นของเชี่ยงแท้เราแสดงว่ามองเห็นที่สองช่วงใหญ่ๆช่วงแรกก็คือที่มาของชีวิตเราจว่าชีวิตนั้นมาจากสิ่งสูงสุดซึ่งอาจจะเรียกว่าพระมันเรียกว่าพระพรหมเรียกว่าประชาพะดีเรียกว่าผู้เป็นเจ้าเรียกว่าเป็นเจ้าเรียกว่าก๊อเรียกว่าอะไรก็ตาม เป็นสิ่งสูงสุดเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งและสิ่งเหล่านั้นจะดำรงคงอยู่ตลอดไปชวนิรันดอนไม่มีการแปรพันเมื่อตัวเองก็ไปปลูกพันธุ์เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนย่อยหรือเป็นผู้ที่เขาสร้างมาก็ตามก็ทำให้เกิดความรู้สึกแบบมีอัตตาเป็นตัวตนที่ทแท้ ย, ยั่ง และจากจุดนี้เองมันก็กลายเป็นโมหะที่ปิดบังเหตุผลสติปัญญาของมนุษย์ไว้ในการดิดรวนควยควา้าปรารถนาสแสวงหาสิ่งทั้งหลายเพื่อสนองตอบความต้องการของตนทําไปต่อมาก็เข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่กับตนตลอดไปด้วยตนจะเป็นเจ้าครอบเจ้าของครอบครองสิ่งเหล่านั้นตลอดไป ใจมันเพื่อใจก็ปักเป็นอย่างนั้นพอสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเขาใจก็ย อ, อมรับไม่ได้ที่จานวนปัจจุบันมักชอบใช้เปนคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่ายอมไม่ได้เพราะว่าจริงเหล่านั้นเกิดแก่เกิดแตกดับเกิด ส, ส, สูญสลายไปซึ่งที่จริงก็เป็นธรรมชาติของเขาเพราะใจเราไม่ยอมรับจะเกิดความเศร้าสศก ความโทมนันัศเสียใจและทางได้โยนความผิดให้คนอื่นที่ทำให้ตนตอกเกิดการประทาาสูญเสียซึ่งอาจจะโทษใครต่อใครมากมายก็แล้วแต่พื้นฐานความคิดของคนแต่ใจเองก็ยังยังไม่ยอมรับความไม่เที่ยงแท้แม้จะประสบในชีวิตประจำวัน เราสังเกตวาชีวิตแต่ละวันเราพบ ก, กับสิ่งไม่เที่ยงแท้จังจืดในตัวเราเองแล้วก็ในสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเราและที่เป็นคนเป็นสัตว์เช่นเดียวกับเรา ก, ก็ก็แสดงอาการไม่เที่ยงแท้ให้เห็นอย่างชัดเจนเช่นความเปลี่ยนแปลงของรูปร่างหน้าตาความเปลี่ยนแปลงของสังขารความเปลี่ยนแปลงของสิ่งท่างหลายความแตกดับของคนของสัตว์ทั้งหลาย เป็นครูสอนเป็นการบอกกล่าวว่าแม้เราเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นจะไม่สามารถผ่านพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เพราะสิ่งทั้งหลายนั้นธรรมดาเขาก็เป็นเขาอย่างนี้เราดูแล้วคล้ายๆใจจะยอมจริงๆใจมันก็ไม่ยอมเมือใจไม่ยอมทำอย่างไงก็ใจก็คว้าต่อว่าสแสวงหาตอบไปทีเดียว บางครั้งก็ขาดทิศทางขาดสติสัมปชัญญะในการสแสวงหามากยิ่งขึ้นจนไม่ได้คำนึงถึงวิธีการในการสแสวงหาแต่ว่าจะสนใจเฉพาะเรื่องที่ได้มาคือสิ่งที่ตนจะได้มาเท่านั้นเราจึงพบกิจกรรมต่างๆเป็นอันมากที่อ่านข่าวคราวแล้วน่ากลัว เป็นการตัดไม้ทำลายป่าจับได้แต่ละคราวราคาเป็นสิบล้าน20บล้าน3าสิบล้านจาบปัญชาจับฝินหนึ่งคิดเป็นเงินต่างประเทศถึง4 500รล้านน้ำหนักเป็นตันๆในสิ่งเหล่านั้นคนค้นึกถึงผลประโยชน์ที่เขาจะได้โดยไม่ได้คำนึงถึงวิธีการในการได้ ว่าจะมีความถูกต้องเหมาะสมอย่างไรผิดกฎหมายหรือไม่ผิศีลธรรมหรือไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมพอไหมในฐานะที่เป็นคนที่เกิดมาใส่โลกซู่ครั้งโู่คราวเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจก็มืดบอดไม่ได้มองไกลขนาดนั้นแล้วเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่กับตนตลอดไปหรือว่าตนจะอยู่บริภคใช้สอยสิ่งเหล่านั้นตลอดไปแต่จุดที่เองเราจะพบว่า อะไรที่เก er ี truth, you so ouais. ่ยวเนื่องกับเขาที่เขาชอบเนี่ยเขาก็อยากให้อยู่กับเขาตลอดไปโดยก็ลืมไม่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาไม่ชอบเขาก็ไม่ต้องการให้อยู่กับเขาตลอดไปหมายความเป็นยังไงหมายความว่าถ้าเขาต้องการให้อยู่กับเขาตลอดไปได้แล้วต้องการให้สิ่งเหล่านั้นที่เขาไม่ชอบแตกทําลายไปได้ก็หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เชื่งแท้แน่นอนคือเป็นไปตามเหตุปัจจัย ก็อย่างน้อยที่สุดในขณะนั้นก็เหตุปจัจจัยคือความรู้สึกนึกคิดของเขาแต่นั้นบางครั้งบางคราวเนี่ยแต่ความสับสนในสภาพจิตปัญญาของคนของสัตว์ที่ปรากฏได้เห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันและก็ทุกขณะที่ส้มาไปพระเจ้าจึงทรงแสดงเห็นว่าจิตใจของบุคคลนั้นถูกคุ้มผ่อไว้ด้วยวิชาคือความมืดตรบใดที่ปัญญาไม่เกิดขึ้นมากพอ ตาบนั้นโอกาสที่จะเข้าใจความจริงเนี่ยยอมรับความจริงซึ่งมันเป็นข้ามันอย่างนั้นเองจะเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยข้อนี้ลองสังเกตว่าถ้าใจเรายอมรับความจริงมันสะดวกต่อการปรับตัวสามารถอยู่ได้ในสถานาการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปคติโบราณในท่านสอนไว้ว่าเข้าเมืองตาหลีว่วก็เหลี่วตาตา เป็นการแสดงถึงจิตที่พร้อมจะปรับตัวเองให้อยู่ได้ทุกสถานการณ์จะยกตัวอย่างว่าเราประกาศตนเป็นพุทธศาสนิกชนธรมมทานศีลความธรรมปฏิบัติธรรมเอ้ยกันไขกฎเกณฑ์เหล่านี้มันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลคือสองพากว่าปีแล้ว ท่านได้อยู่ในกรอบเหล่านี้ท่านที่ปฏิญาณตนเข้ามาอยู่ในกรอบนี้ท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้ทีนี้มเมื่ราพร้อมที่จะปฏิบัติ mm. ก็ไม่เห็นว่ามันจะไปเดือดร้อนอะไรนักหนาแต่ถใจเราคิดต่อต้านว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นบางควรจะเป็นอย่างนี้บางครจะเป็นอย่างน้อนอันนี้มันก็ล้าสมัยแล้วผ่านกาลเวลามาแล้วไม่ควรจะประพฤติปฏิบัติเป็นต้นเนี่ยเราเองนะจะเดือดร้อน แต่ที่สถาบันนั้นนั้นก็จะเดือดร้อนก็าไปเดือดร้อนแล้วก็ปรับตัวอยู่ก็มาได้ตัวเองก็จะเดือดร้อนหรือแม้แต่ผู้ที่เข้ามาบวชก็มีลัศดาจากกันคือรูปแบบของการบวชนั้นที่จริงมันมีมาก่อนพุทธกาลเป็นรูปแบบที่จะต้องเป็นอย่างนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นนักบวชถ้ากําหนดเอาไว้เป็นรูปแบบอย่างนั้นเมื่อเราสมัครใจอาสามาที่จะ ยึดถือเพศเหล่านี้ปฏิบัติหน้เพศเหล่านี้ก็ต้องยอมรับกฎเกณฑ์ทั้งหลายที่เกี่ยวกับความเป็นนั้นๆซึ่งก็กระจายไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาเป็นเพื่อนเป็นครูเป็นอาจารย์กันน่ยที่จริงโครงสร้างเหล่านี้เขามีอยู่ก่อนก่อนที่เราจะเป็นโครงสร้างเขาลูกที่ดีโครงสร้างเขาพ่อแม่ที่ดี ของครูที่ดีของเพื่อนที่ดีของประชาชนที่ดีนั้นเขามีเป็นกฎเป็นเกณฑ์อยู่แล้วแล้วก็เป็นความดีสาคลซึ่งก็มีสืบต่อกันมาแต่บรรพการนานไกลเราไม่สามารถจะนับได้ว่าตั้งแต่เมื่อไรแต่ว่าดีเมื่อพ5 0 0ปีที่แล้ว 3,000 ปีที่แล้วหรือ 10,000 ปีที่แล้วมันก็เหมือนกับดีที่มีอยู่ในปัจจุบันมันกรอบเหล่านี้เมื่อเรายอมรับเราก็ปรับตัวได้ พอปรับตัวได้มันก็ไม่เดือดร้อนแต่การปรับที่สําคัญก็อยู่ที่การปรับใจให้ใจเรายอมรับความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ในเรื่องเนั้นแม้ในธรรมะปฏิบัติเหล่าอื่นถ้าใจเรายอมรับความจริงเนี่ยเราก็จะรู้จักปล่อยรู้จั ก, กวางรู้จักเข้าทันทําความจริงเชื่สมุดว่าใครทําใคร ใครโกรธเราแล้วกระดาา่าว่าก้าร้าวรุนแรงอะอย่างวุว่วายมากมายได้เกิดแต่เราเข้าใจความจริงว่าที่จริงเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะความโกรธเกิดขึ้นรุนแรงไปในใจเขาแล้วก็ใครก็าตามที่ความโกรธเกิดรุนแรงในระดับเดียวกันมันก็แสดงอาการอย่างนั้นแหละเป็นธรรมชาติของความโกรธ มันเกิดขึ้นภายในจิตเขาต้องทําปฏิกิริยาต่อจิตแล้วถ้ามีความรุนแรงเขาก็จะออกมารุนแรงโดยการพูดรุนแรงโดยการกระทาที่รุนแรงและเรายังไม่มีความโกรธครอบงำเรื่องอะไรจะเร า, เราจะรุนแรงอย่างที่เขารุนแรงเราสามารถหยุดตัวเองไว้ได้คือไม่เป็นอย่างที่เขาเป็นไม่ด่าตอบเมื่อเขาดา่าไม่ประหารตอบเมื่อเขาประหารไม่ประตุสร้ายตอบเมื่เขาประทุษร้าย เป็นการรักษาความดีภายในใจของตัวเองไว้เพราะเราจะได้ประโยชน์แม้จากกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลอื่นในกลุ่มของสภาวธรรมทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ด่อไปก็เป็นเช่นเดียวกันแต่ใจมันปรับยอมรับความจริงว่ามันเป็นเข้ามันอย่างนั้นแหละเพราะเป็นอย่างที่มันเป็น อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนให้บุคคลใช้ปัญญาพิจารณาเหตุไปจักในขณะนั้นๆั้นอะไรเป็นอย่างไงก็เราเรายอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆั้นแล้วก็ยืนด้วยตัวของตัวเองให้ได้ไม่หกล้มผมเราก็ไม่มีปัญหาอะไรทำนองการปรับตัวอยู่ได้ในท่ามกลางหนาจัดร้อนจัดถิวจัดกระหายจัดมีอุปกรภยัย มีความสับสนอุลามาต่างเกิดขึ้นแต่เราก็ปรับใจเราปรับตัวเราอยู่ได้เราก็ผ่านวิกฤตการเราดัานไปได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนเป็นมากที่ปรับตัวไม่ได้คือปรับใจตัวเองไม่ได้ปรับตัวให้อยู่ในสถานการณ์ที่วิปริตแปรพันธ์เ่าดัานไม่ได้ก็มีกาเป็นไปด้วยประการต่า ง, างๆที่เป็นข่าวคราวเพืเป็นกันเพราะลักษะาการสําคัญในคําสอนของพระพุทธเจ้า บางตอนที่เราใช้ปัญญาได้มันก็เห็นกันถ้าว่าปัญญาเรามากพอแต่ว่าบางตอนเนี่ยมันก็สุดวิสัยที่ใช้ปัญญาหรือปัญญาเรายัางไม่มากพอเราก็ใช้ศรัทธาเอาธรรมะสองข้อจึงโดดเด่นอยู่ภายในใจของคนระดับประโสนาบันขึ้นไปเึงสังเกตว่าท่านก็ไม่ได้ใช้ปัญญาทั้งหมดเพราะบางเรื่องแต่ก็ใช้ปัญญาไม่ถึงมันยังไม่ถึง มยังไม่ถือมันก็ใช้สัตว์เท้าเราจำนองคล้ายๆกับ ค, คนดาลงไปในทะเลสมมชุดประดาน้าลงไปเพราะเห็นสิ่งต่างๆแล้วขึ้นมาเล่าเรื่องราวต่างๆสภาพแวดล้อมในทะเลความสวยงามของปลาคารังของสัตว์ของธรรมชาติต่างๆใต้ท้องทะเลลึกถ้าเรามีความสามารถแล้วต้องการจะดูมก็ดาลงไปดูด้วย แต่บางที่เราไม่สามารถเราว่าน้ำไม่เป็นเราก็เชื่อตามเลยเขาบอกลับก็แสดงว่าได้รับประโยชน์จากศรัทธาก็ได้ได้รับประโยชน์จากปัญญาก็ได้นื้อคุณธรรมเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ท่านขีดความสมบูรณ์ไว้ระดับหนึ่งคือหมายความมาไม่เสียฐานอย่างที่พระเจ้าทรงใช้คําว่าเหมือนคนไหายน้ำแล้วมันขึ้นตะลิ่งได้ไม่จง คือไม่จมลงไปในน้ําเพราะว่าอยู่บนตะลิงแล้วแต่ในขณะเดียวกันภายในแม่น้ำมันก็มีคนประเภทที่ตกน้ําแล้วก็จมหายไปเลยก็มีตกน้ําแล้วโผล่ขึ้นมาได้แล้วก็จมไปอีกก็มีตกน้ําแล้วโผล่ขึ้นมาได้แล้วประคองตัวได้ก็มีแต่การประคองตัวได้ในลักษณะนั้นก็แสดงว่าน้ําไม่รุนแรงน้ําไม่เชี่ยวกรากมาแต่ถ้าน้ําเชี่ยวรุนแรงแล้วมีสัตว์ เป็นอันตรายอยไปในน้ําเขาก็ทรงตัวอยู่ไม่ได้เหมือนกันเพื่อก็เหมือนกับจิตใจของสามัญชนที่เรียกว่าเป็นคนดีระับสัตว์บุระหระับคนดีทั้งหลายที่มีอยู่ในสังคมที่จริงกิเลยประเภทสังโยชนที่พูดกันมาโดยนับปัจจนยังมีอยู่เพียงแต่ว่าไม่มีอะไรมากระตุ้นแรงๆก็แสดงความเป็นคนดีอยู่ได้เป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นความสงบสงเงมเรียบร้อย ไม่ออนไวไปตามอำนาตของอารมณ์ถ้าเราดูแล้วเป็นรูปธรรมจเห็นได้ว่าคล้ายๆกับลมมันพัดธรรมะทั่วไปธรรมดาธรรมดาก็ไม่ถึงกระทาให้ตึกให้บ้านเรือนมันโยกคลอดมันหวั่นไหวหรอกดูแล้วบ้านเรือนเหล่านั้นแข็งแรงอาคารเหล่านั้นแข็งแรงแในกรณีต้นไม้รอบข้างเขาพังก็ยืนยัดอยู่ได้ แต่ถ้าเกิดพายุรุนแรงระดับทอร์นาโดระดับไต้ฝุ่นแรงระดับพายุเกย์้ัเอาไม่อยู่เหมือนกันอาการหลังนั้นแหละเพียงแต่พายุมันแรงขึ้นเขาปะทะพายุได้บางระดับแต่พอถึงระดับเกระดับทอร์นาโดเขาก็ปะทะไว้ไม่ได้เพราะจิตใจของบุคคลระดับที่เรียกว่าเป็นคนดีมีศีลธรรม แบบสามัญแต่ไปถึงก็ตัดถอนรากเมื่อกี้เลยได้เป็นการเอาน้ำขุนไว้ก้างหลังแต่ไม่ได้หมายความว่าน้ำไม่ขุนเพียงแต่ไม่มีอะไรมาโกนให้ขุนมันก็ไม่ขุนถ้าไม่ขุนมันก็ดื่มได้มันใช้ประโยชน์ได้แต่พอมีใครมาโกนมาทําให้ขุนมาขย่าวให้ขุนมันก็ขุนขึ้นมามันก็ดื่มไม่ได้น้ําก็ขุนไป ความตีใจของบุคคลที่มีความคุณมวเสรามองก็มีรัษนะอย่างนั้นการแก้วิจิกิจฉาจึงแก้ด้วยธรรมะทั้งสองประการคือก็ใดก็หนึ่งก็ได้เพราะธรรมะทั้งสองประการนาในธาตุเลวาเขาเอียงอาศัยซึ่งกันและกันสัทธากับปัญญาที่จริงจะต้องไม่ยิ่งไม่หย่อนคือไม่มากไม่น้อยสรัทธามากไปก็ไม่ดี ปัญญามากไปก็ไม่ดีปัญญาน้อยไปก็ไม่ดีศรัทธาน้อยไปก็ไม่ดีต้องอยู่ประสานกันทำนองล้อรถที่สุกลมเข้าไปนั้นลมต้องพอกันและต้องสนับสนุนกันพระเจ้าทรงรับรองผลของศรัทธาที่บุคคลเพิ่มภูณฑได้บังเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับศีลธรรมจัญยาจนถึงระดับมรรคผลผนิพพาน หมายความยังไงหมายความศรัทธาเขาเพิ่มปูนขึ้นก็มีกำลังมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำหน้าที่คนตนได้ดียิ่งขึ้นแต่เราดูความเจริญเติบโตเรานี้คล้ายๆกับต้นไม้หรือแม้แต่ตัวเราเองเลองสังเกตเาตัวเราเองมันก็เติบโตแบบนั้นเติบโต ต, ตอนแรกนั้นก็ต้องอิงอาศัยคนอื่นอยู่แยะกต่เดินใหม่ยคนหนึ่งก็ต้องช่วยอยู่มาก เตืนได้แล้วก็ต้องเดินตามหลังคนอื่นไปคนอื่นเขาจูงไปกว่าจะเดินด้วยลําพังตัวเองได้เราก็เดินนําเขาจะถึงจูงเขานั้นมันก็อีกช่วงหนึ่งซึ่งก็กินเวลานานความจเจริญเติบโตนั่งจิตใจมันก็มีลักษณะอย่างนั้นในชั้นแรกผมก็อิงอาศัยอะไรไปเรื่อยๆกว่าจะเป็นตจูงตัวเองคือกว่าจะคิดได้แต่ัดสินใจได้ด้วยตัวตัวเองนั้นมันต้องใช้เวลา ต้องมีข้อมูลต้องมีเงื่อนไขปัจจัยต่างๆเมื่อผ่านมาไม่กี่วันนี้ถ้าหากว่าได้ติดตามความคิดเห็นของพวกที่เป็นต้นเหตุให้เกิดเหตุการณ์14ตุลาคมประเจนได้ว่าความคิดของคนเหล่านี้ต่อมาเมื่อเขาผ่านเวลามา20ปีเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงหมดแล้วและรู้สึกตาหนิตัวเองที่ไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ นั้นแสดงเห็นว่าพัฒนาการทางจิตของคนเนี่ยในช่วงหนึ่งมันก็ตัดสินใจในวงแคบๆอย่างที่โลก น, นี้ท่านบอกว่า ก, กลกบเกิอดอยู่ในสะจ้อยก็ตัดสินแบบกบในกลามันก็มองเห็นรอบทิศแต่ว่าที่จริงมันก็ในกลาหรือว่าในใน ส, นสะมันก็ใหญ่ขนาดไหนก็ตามก็คือสะ แต่พอออกไปสู่โลกว่างพอเห็นเงื่อนไขต่างๆอีกเป็นนั้นมากนั้นที่จริงก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ในศาสระทุกอย่างจะทำให้เข้าใจโลกมากยิ่งขึ้นเพราะเราเห็นว่าปัญญาก็ดีสธาก็ดีก็เพิ่มขึ้นมีความสุขุมรอบครอบมากยิ่งขึ้นจะน้อมใจเชื่ออะไรก็มีเหตุมีผลมากขึ้นจะตัดสินใจอะไรลงไปก็มีกฎมีเกณฑ์ในการตัดสินใจ วันแต่ละอย่างเหล่านี้ก็ต้องอาศัยสิ่งที่พระเจ้าทรงใช้คําง่ายๆว่าโยนิโสปนัสิกันคือการเพ่งปีนิพิจารณาด้วยบายวิธีที่สมเหตุสมผลเหมาะสมกับการคิดในเรื่องนั้นๆการพิจารณาในเรื่องนั้นๆตรงไหนที่มันเราคิดได้เราก็คิดได้ตรงไหนคิดไม่ได้เราก็ใช้ศรัทธาไป อย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังมาจริงๆแล้วในชีวิตของเราเนี่ยเราใช้ศรัทธามากกว่าปัญญาไม่มีมนุษย์คนใดนอกจากปริญญาที่จะมีปัญญาใช้ไปได้ทุกเรื่องส่วนใหญ่เราก็ใช้ศรัทธาใช้ความเชื่อความวิทยุก็เชื่อข่าววิทยุดูโทรทัศน์ก็เชื่อข่าวโทรทัศน์อ่านซื่อพิมพ์ก็เชื่อสื่อพิมพ์ไปในที่ใดที่หนึ่งต้องการถามอะไรในบ้านนั้นเมืองนั้นในสถานที่นั้นก็เชื่อคนแถบนั้น แสดงอะไแสดงว่าปัญญานั้นเรารู้ว่าคนคนนั้นอยู่ในสถานที่นั้นเขาควรจะรู้เรื่องเหตุการณ์เหล่านั้นซึงบางทีอาจจะไม่รู้ก็ได้ก็เหมือนกับเราอยู่ในที่หนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเราไม่รู้ก็มีบางทีดูแล้วไม่น่าเชื่อในตั้งกลางคนมากๆเราเดินไปข้างหน้าเหตุอะไรเกิดขึ้นข้างหลังเราเรายังไม่รู้เลยไม่ต้องกล่าวถึงว่าเราจะไปรู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะบางเรื่องเนี่ยค ง, คงจะใช่ศรัทธาอยู่แั่เด็กแต่เป็นการมองถึงแหล่งที่มาของข่าวสารว่าควรแกการช่วยถือหรือไม่อย่างเรื่องทั้งหมดแปประการที่กล่าวไ้แล้วเนี่ยเราจะพบว่าถ้าเราจับที่พระพุทธเจ้าได้คือศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าได้สิ่งเหล่านี้พระเจ้าทรงสแสดงเอาไว้ และจริงก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างอดีตอนาคตปัจจุบันบางทีอดีตเนี่ยเราก็ไม่เห็นเราเกิดไม่ทันะ่ะเราก็เพิ่งเกิดมาแต่การในอดีตที่จริงแล้วมันก็เราก็เห็นอยู่ในปัจจุบันเห็นคนเจ็บในปัจจุบันเน้นคนแก่ในปัจจุบันเน้นคนตายในปัจจุบันในการพลาดพากสูญเสียในปัจจุบันในการทะเลาะเบาแวงในปัจจุบันเน้ปนปัญหาต่างๆในปัจจุบัน ถ้าถามว่าอดีตมีไหมมันก็มีทางนั้นแหละไม่ได้มีอะไรที่ไม่มีถ้าถามอนาคตอะอนาคตมันก็เป็นอย่างนั้นแหละทีนี้ลอามาดูกระแสะของความคิดที่ให้เกิดสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีขึ้นในปัจจุบันว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรเราอาจจะดูที่คนอื่นยากก็ดูที่ใจเราอะพใจเราเวลาทาผิดพูดผิดคิดผิดเนี่ยมันเกิดมาจากอะไร เราจะทบต่อว่าในกรณีผิดก็เกิดมาจากความคิดผิดความคิดผิดมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากกิเลสกิเลสมันเกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากอวิชชาก็แสดงว่าเราก็สืบสาวถึงจะไปที่มาได้คือความไม่รู้อย่างน้อยก็ขาดเหตุขาดผลในขณะนั้นมันก็คือเชื้อความวิชาเช่นบางทีกระทบกระทั่งอะไรนิดหน่อยแล้วก็อยากโวยวายไปทะเลาะวิวาทไป พอสติสัมปัญญาขื้นมาสํานึกตัวได้ก็ไปขอขมาโทษเขาเราจะเห็นว่าช่วงที่เรารู้อํานาจแก่อารมณ์นั้นเป็นความโง่เป็นความไม่รู้พอสติสัมปัญญาขื้นมาร่างกายความรู้ความรู้เราก็รู้ว่าที่พูดไปแล้วมันผิดที่ทําไปแล้วมันผิดเราก็ขอขมาโทษก็เห็นอาการของกิเลสอาการของอวิชชาอาการของกิเลสอาการของกิเลสคือความโกรธและอ า, าการของธรรมะคือสติสัมปัญญายอยู่ภายในใจเรานั่นเองนเปนสามช่วง ช่วงแรกนั้นเป็นเรื่องของวิชาช่วงที่สองก็เป็นอาการของวิชาออกมาเป็นโทสะในความโกรธแล้วก็ออกมารุนแรงทางกายบ้างทางวิชาบ้างทางการเวลาไปช่วงระยะสั้นๆถ้าคนมีสติสัมปชัญญะดีมันก็ไม่นานอะไรมันก็เกิดสติสัมปชัญญะคิดมาแล้วก็วินิจฉัยอดีตของตัวเองในการกระทำที่ผ่านมาแล้วก็มองเห็นในความผิดพลาดของรอง แล้วก็มาโทษแต่ให้ลองสังเกตว่าถ้าตรงนี้อวิชามันมากเนี่ยทอนนี้กิเลสมันแรงแล้วกลายเป็นความถือรันผิดแล้วไม่ยอมรับผิดใ่เราพูดกันในปัจจุบันว่าใช้ความถูกใจมากกว่าความถูกต้องก็ไม่สนใจความถูกต้องเป็นยังไงเรก็ฉัน ถ, ถูกใจก็แล้วกันคนเหล่านี้สติสัมปญญาจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะงั้นจะไม่ยอมรับผิด อาจจะต้องผ่านเวลาไปนานๆเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงนึกขึ้นมาได้ยังลูกๆบางคนหรือนักเรียนนักตื่นตาบางคนที่ไม่ชอบพ่อแม่ไม่ชอบครูบาอาจารย์บางเรื่องแล้วก็อาจจะเก็บผูกความโกรธเอาไว้ได้ทั้งไปในตอนแรกๆมัน ก, ก็คิดอะไรไม่ออกแต่ว่าตัวเองโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงคิดได้เราทำไมพ่อแม่จึงพูดอย่างนั้นจึงทำอย่า ง, างานั้น ทำไมครูบาอาจารย์อึงตำแหนิที่เตียนอย่างนั้นจึงลงโทษอย่า ง, งนั้นั้นแสดงอะไรแสดงว่าอาวิชามันมากให้เกินแต่ว่าการเวลาที่ผ่านไปนั้นได้สะสมวิชาคือความรู้มีเหตุผลมีประสบการณ์ตรงมีเงื่อนขปรัจจัยต่างๆก็ส่งเสริมสนับสนุนให้กัดกรอ่อนอวิชามันจางๆลงไปพอโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็คิดได้คราวนี้แต่เรามองตัวคนเราจะเห็นในชาัด พระเจ้าช่างจะรูจับพ่อไปขังไว้จนตายนึกถึงคุณพ่อเมื่อตัวเองมีลูกแต่ก็สายไปแล้วพระเทวทัตนั้นก่อกวนพระพุทธเจ้าตลอดระยะเวลาทั้งสี่สิบกว่าปีพอเนึ้ถึงคุณพระพุทธเจ้าก็่อนจะตายแล้วนั้นแสดงอะไรแสดงว่าอวิชชาแกมมีกำลังมากมันขจัดกัดกร่อนเบาๆไม่ออก ใช้การเวลาเข้าช่วยใช้ประสบการณ์ตรงๆ ต, ต่างๆในเข้าไปสนับสนุนแต่เกิดสนึกขึ้นมาได้เองเพราะยังไงมันก็ไม่เสียหลายพระเจ้าชาติสู่ท่านก็เปลี่ยนแปลงในสังสารวัฏโอกาสแม้จะนานก็ตามมันก็เปลี่ยนแปลงได้พระเทวทัตเองท่านก็เปลี่ยนแปลงได้แม้จะนานก็ตามนั่นคืออาการทางจิตที่เราเห็นแล้วก็อาจจะเห็นในช่วงระยะเวลาสักสีห้านาทีหนาทีก่อนห้านาทีนี้ห้านาทีต่อไปก็ได้นะ สี่พานาทีหรืออาจจะสามนาทีตามนาทีก็อาจจะเกิดจากหน่อยราะตามปกติแล้วจิตใจของคนเราแต่ละคนกิเลสมันก็เยอะธรรมะมันก็เยอะปัญหาว่าในการต่อสู้กันอะไรมันมากกว่าอะไรให้เราตรงเกิดบางครั้งเหตุผลสติสัมยะมาเร็วคิดได้ สำนึกผิดแล้วก็แก้ขไขกลับนื้อกลับตัวได้ในขณะนั้นนั้นบางทีก็มาช้าต้องใช้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีหรือหลายๆลายปีอย่างแบบพระเจ้าชาตรูหรือแบบปฏิวัติเนี่ยมันใช้หลายปีแต่ี้สุดก็กัดกรอนได้การปฏิบัติธรรมทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอะไรก็ตาม ท่านเรียกว่าบารมีคือการเก็บการสะสมดีเก็บดีเก็บถูกเก็บชอบท่านเรียกว่าเก็บดีเก็บถูกเก็บชอบเอาไว้สะสมไปเรื่อยๆธรรมะตัตนี้ก็มีกําลังในขณะที่เขาเพิ่มเนี่ยพวกกลุ่มกิเลสเขาก็ลดทําให้อะไรทําให้ศรัทธาทําให้ปัญญาทําให้สติต่า ง, างๆของเราเนี้เพิ่มปูนมากยิ่งขึ้นควบคุมตัวเองได้สูงขึ้นเหตมีผลมากยิ่งขึ้น ความเพื่อแปร่งสงสัยต่างๆก็ค่อยๆจางไปน้อยไปบันเๆไปความพองใสความโปร่งเบาภายในใจก็จะเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับต่อจ น, นี้ไปขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป